<6. S 2> วิถีแห่งพรหมจรรย์ในการใช้ชีวิตพรหมจรรย์นั้นเริ่มแรกต้องใส่ใจต่อาการฝึกฝนตนเองเธอต้องเพียรพยายามในการฝึกตนเพื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นของตนเองด้วยการศึกษาอ่านและฟังให้มากแล้วนำไปพิจารณาจนเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มชัดต่อไป เธอควรจะพยายามกำจัดข้อผิดพลาดต่างๆด้วยพลังทั้งหมดของเธอเธอควรจะชัดแจ้งในสิ่งบกพร่องทั้ง57อย่างเหล่านี้คือ 1. ความมุ่งร้ายการคิดไม่ดีต่อผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่จะรบกวนจิตใจ 2. ความพยาบาทอาฆาตแค้นจะผูกมัดเราให้ติดแน่นกับคนคนนั้น 3. การชอบปกปิดซ่อนเร้นเป็นที่หลบซ่อนของความชั่วทั้งหลาย 4. ความประสงค์ร้ายเกลียดชังจะทำให้ตนผูกติดอยู่กับอกุศ ล, ลกรรม 5. การเสแสแ้งแกล้งทำอำพรางคือการลวงหลอก 6. กการใช้กลอุบายหลอกลวงคดโกงคือความไม่ซื่อตรงของจิต 7. ความอิจฉาริษยาคือการถูกรบกวนโดยคุณความดีของผู้อื่น 8. ความตรหนีทีเหนียวคือความกลัวที่จะให้ 9. ความไม่รู้จักอาย 10. ความไม่รู้จักขวยเขินคือการไร้ความรู้สึกต่อตอนเองและผู้อื่น 11. การหลงลำพองตนคือการไม่รู้จักเคารพผู้อื่น 12. ความพยายามในเรื่องที่ผิดเกิดจากจิตที่ถูกทำให้มัวหมองด้วยความมุ่งร้ายคิดร้าย 13. ความเยื่อหยิ่งยะโสคือความจองของอวดดี 14. ความไม่รอบคอบคือการไม่รู้จักใช้กุศลละจิต 15. ความหลงตนมีเจ็ดแบบซึ่งมีรายละเอียดคือ หลงคิดว่าตนแย่กว่าผู้ที่แยห่หรือตนเสมอกับผู้ที่เสมอกันหรือตนดีกว่าหรือเสมอกับผู้ที่แย่นี่เรียกว่าหนึ่งความหลงในความเป็นตนเองโอ้อวดว่าตนเท่าเทียมกับผู้ที่ดีกว่าตนเรียกว่า 2. ความหลงทนงตนหลงคิดว่าตนดีกว่าผู้ที่ดีกว่าตน การคิดว่าตนสูงกว่าผู้ที่สูงส่งคือสความหลงตนที่ยิ่งกว่าความหลงตนใดๆเหมือนเช่นการอักเสบของฝีหนองมันย่อมเลวร้ายมากการหลงปรุงแต่งความเป็นฉันในขันห้าอันเป็นของว่างที่เรียกว่าการหลงยึดโดยความเป็นตัวตนของตนนั้นนี่คือสความหลงตนโดยความคิดว่าฉัน หลงคิดว่าตนได้รับมรรคผลทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุผลใดๆเรียกว่า5ความหลงตนเพอ้อฝันการสันเสรินตนในการกระทาผิดในหมู่ผู้รู้เรียกว่า6ความหลงตนอยู่ในความผิดพลาดดูถูกตนเองหลงคิดว่าตนแย่เรียกว่า7ความหลงว่าตนต่ำต้อย ทั้งหมดนี้คือบทสรุปของความหลงตนเองทั้ง7 1. 6การแซงทำรรคือการควบคุมความรู้สึกของตนเพื่อลาบสการะ 1. 7การพูดยกยอสอพลอคือการทำให้ผู้อื่นพึงพอใจเพื่อลาบสการะ 1. 8การได้มาโดยทางอ้อมคือการชมเชยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น เพื่อให้ได้มาเป็นของตน $19 การได้มาโดยแรงกดดันคือการแสดงการเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเพื่อลาบ $20 อยากได้ผลประโยชน์จากผลประโยชน์คือการยกย่องชมเชยการได้มาครั้งก่อนๆ่อน $21 การตอกย้ำความผิดคือการพูดถึงความผิดของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า $22 ความไม่เกรงใจคือการทำให้ผู้อื่นลำบากโดยไม่สนใจอันเกิดจากความคิดไม่ดีของตน 23. ความยึดติดคือการยึดมั่นในนิสัยไม่ดีของตนด้วยความเกียดคร้านที่จะพัฒนา 24. การเลือกที่รักมักที่ชังคือการหลงเลือกแยกแยะสิ่งต่างๆด้วยใจที่โลภโกรธหรือหลง 25. ไม่รู้จักดูเข้ามาในจิตใจของตนคือการไม่ใช้ใจกับสิ่งต่างๆไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา 26. ความเสื่อมถอยของความเคารพศรัทธาในการปฏิบัติมักเนื่องมาจากความเกียดคร้าน 27. ผู้นำทางจิตวิญญาณที่เป็นคนไม่ดีที่แท่งทำเป็นรู้ทางไปสู่มรรคผล 28. ความกระหายต้องการคืออาการยึดติดพัวพันของใจเล็กน้อยอันเกิดจากราคะตันหา29การครอบงําจิตใจคืออาการยึดติดพัวพันของใจอย่างรุนแรงอันเกิดจากราคะตันหา30ความโลภคือภาวะการยึดติดในทรัพย์สมบัติสิ่งของของตน31อ ความละโมบอันไม่เหมาะสมคือภาวะการยึดติดในของของผู้อื่น 32. มกักมากในการอย่างไม่เคารพศาสนาคือการกล่าวชื่นชมสตรีด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความกำนัดอันเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง 33. ประพฤตตนหลอกลวงคือการเสแสร้งเป็นคนดีทั้งที่ตนยังบกพร่องอยู่ ด้วยความปรารถนาชั่วภายใน 34. ละโมบโลกมากคือความอยากได้มากอย่างไม่รู้จักพอ 35. ละโมบในผลประโยชน์คือการแสวงหาอยากได้ชื่อว่าเป็นคนดีโดยไม่เกี่ยงวิธีการ 36. ไม่มีความอดทนคือขาดความสามารถในการทนต่อความทุกข์ยากทรมาน 37. ทำตนไม่เหมาะสมคือไม่ให้ความเคารพต่อการกระทําของครูบาอาจารย์หรือผู้นําทางจิต38ดื้อรัน้นไม่ฟังคําแนะนําคือไม่ให้ความเคารพต่อคําแนะนําในการปฏิบัติ39เจตนาคลุกคลีกับญาติมิตรคือความยึดติดในอารมณ์อันละเอียดอ่อนที่ยังมีต่อญาติมิตร40สิ การยึดติดในวัตถุคือการผูกพันกับความดีของมันด้วยความอยากได้มาเป็นเจ้าของ41เพ้อฝันในชีวิตนิรันดรคือการเพิกเฉยไม่สนใจต่อเรื่องความตาย42ความหลงพึงพอใจตนเองคือหลงความคิดว่าไม่ว่าใครจะให้ตนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็เนื่องเพราะตนมีคุณสมบัติที่ดี 43มและ4ีมีความเห็นที่ยึดติดอยู่กับผู้อื่นคือความตั้งใจที่จะช่วยหรือไม่ช่วยเหลือผู้อื่นที่ล้วนมีผลมาจากความต้องการอยากได้หรือความต้องการจะเบียดเบียนผู้อื่น45ความไม่ชอบใจคือจิตที่หวั่นไหว46ความต้องการทางเพศคือใจที่ศกกระก47 ความเฉยเมยคือจิตที่เกียจคร้านที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกแห่งความไม่รู้จักเพียงพออันมาจากความไม่สนใจสิ่งใด48ความผิดเพี้ยนผิดรูปใช้สำหรับอารมณ์ที่ทุกทรมานจนมีผลต่อร่างกายและผิวพรรณ49ไม่อยากอาหารหมายถึงความเฉยชาทางกายอันเกิดจากการกินมากเกินควร หาสิจิต ท, ที่หดหูหมดกำลังใจอย่างมากหมายถึงจิต ท, ที่หวาดกลัวอ่อนแอและขี้ขลาด 51. ปรารถนาจะต้องการอยู่เสมอคือความดิ้นรนสแสวงหาไปในขันทั้งห้าพยาบาทเกิดจากเหตุก้าอย่างในการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นคือมีความกระวนกระวายใจอย่างขาดสติเกี่ยวกับตนเองมิตร และศัตรูทั้งในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคต53เกียรคร้านทื่อทึบเนื่องเพราะกายหนักจิตหนัก54่ง่วงเหงาเสื่องซึมคือความเฉยชาไม่กระฉับกระชฉงอยากแต่นอน55ตื่นเต้นคือความไม่สงบกระสับกระสายอย่างรุนแรงของกายและจิต56 หดหู่เศร้าใจในความผิดคือความเสียใจต่อาการกระทาไม่ดีของตนที่เกิดขึ้นหลังจากความสลดใจความเศร้าใจจากความผิดนั้น 57. สงสัยลังเลคือการสับสนมีสองจิตโต้เถียงกันเกี่ยวกับสัจธรรมพระรัตนตรัยและอื่นๆโพธิสัตว์ผู้ยังครองเรือนก็พึงกำหนดละเว้นสิ่งเหล่านี้ ส่วนโพธิสัตว์ผู้ถือพรบัจรรต์ก็พึงกำหนดละเว้นให้มากยิ่งขึ้นหากปราศจากสิ่งบุกร่องเหล่านี้ก็จะบังเกิดกุศลอันยิ่ง